กราบนมัทสการหลวงพ่อและพระภิกษุสงฆ์นะครับและสวัสดีญาติธรรมทุกท่านครับกับผม <c oughs> ชื่อกิตตินเทียนบุญนะครับเคยมาปฏิบัติเข้าคอร์สกับหลวงพ่อครั้งแรกที่อสมมาตาที่ปกติผมก็จะเข้าปฏิบัติจะลางานไดป้ปีละครั้งนะครับ ก็จะเข้าเข้าปฏิบัติทุกปีละครั้งก็ผมเริ่มปฏิบัติเข้าคอร์สมาก็ย้อนไปเริ่มตั้งแต่เข้าคอร์สกับหลวงตาสุริยาฮะน่าจะเจปีที่แล้วครับการปฏิบัติก็ทุกครั้งที่เข้าคอร์สนะครับมันจะมันก็จะได้อารมณ์ดีขึ้นการปฏิบัติก็จะง่ายขึ้นทุกครั้งแล้วก็ ที่วัดได้จริงๆก็คือเวลาเราทำงานนะครับมันก็จะไม่ค่อยทุกเท่าไหร่ปล่อยวางได้มากขึ้นเรื่อยๆทุกปีทุกปีปีที่ผ่านมาหลังจากกลับจากคอร์สแล้วก็ส่วนใหญ่ผมก็จะปฏิบัติตอนตอนตีสามครับมันจะตื่นตื่นมาตีสามแล้วก็จะ นอนดูลมหายใจสักพักหนึ่งแล้วลุกขึ้นนั่งปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งก็ตอนขับรถไปทำงานก็ตอนนั้นก็จะใช้อานาปาใช้ลมหายใจและลึกรู้ไปก็ตอนขับรถกลับตอนเย็นๆที่ได้ชัดเจนมากขึ้นก็คือความมีสตินะครับคือการปฏิบัติธรรมสุดท้ายก็คือเราไม่ได้ทำอะไรนอกจากว่าเรามาฝึกสติการปฏิบัติที่ ปัญหาของการปฏิบัติที่ประสบมาก็คือใจหรือเราตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติไม่ถูกนะครับก็คือเราปฏิบัติเพื่อจะให้รู้ธรรมะเพื่อให้นู่นให้นี่อะไรเงี้ยครับเพื่อให้ได้อารมณ์ดีๆอย่างงูอยากได้อารมณ์ดีๆอย่างนี้คือเป้าหมายเราผิดหมดเลยแล้วทาให้มันเนิร์ช้าแล้วก็ทําให้เกิดความลําบากยากเข็ญในการปฏิบัติ จริงๆแล้วผลท้ทายก็คือก็เราแค่มาฝึกสติฝึกความรู้สึกตัวแล้วทุกสิ่งทุกอย่างความรู้สึกตัวมันก็จะไปไปล้างใจเราเองมันก็ค่อยดีขึ้นใจค่อยคอยดีขึ้นเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมที่เข้าใจก็คือเมื่อเรามีสติมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้ใจเราเปลี่ยนไปเองคือมันจะวาง วางความเป็นตัวตนความยึดมั่นอะไรต่างๆลงไปได้เองโดยที่เราก็ไม่รู้มันก็เป็นไปเองมาคอร์สนี้ก็ตั้งใจจะมามาเข้าคอร์สกับหลวงพ่อเพราะว่าคอร์สของหลวงพ่อเนี่ยจะสอนละเอียดนะครับสอนละเอียดแล้วก็ดีมากสําหรับผู้ปฏิบัติใหม่ๆซึ่งหลวงพ่อได้ทําความเข้าใจอย่างละเอียดแล้วก็ถูกถูกต้องดีมากๆสําหรับ ถ้าใครจะปฏิบัติแนวนี้เนี่ยเข้าคอร์สกับหลวงพ่อจะเป็นประโยชน์มากทำผิดเนี่ยมันก็จะทุกยากแล้วก็นานเนิ่นช้ามันก็ไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่สติแต่ถ้าเราทำถูกได้เคล็ดลับที่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะทำให้เราทำงานปฏิบัติได้ไม่ยากลำบากมากแล้วก็จะพัฒนาได้เร็วน ะ, ะไม่ไม่สงสัยครับอารมณ์รูปนามเนื่องจากว่าเราสติเราเนี่ยมันยัง มันยังมีเผลออยู่เรื่อยๆเราทำไม่ได้ต่อเนื่องจะจะเผลอสักกี่สิบเปอร์เซ็นนะครับจะรู้สึกตัวสักประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นครับท่านรัชกาลพระจยาลหลวงพ่อแล้วก็พระอาจารย์ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนอผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนนะครับ <c oughs> ผมมาเป็นครั้งที่สองครับในระหว่างช่วงที่หลังีาก คร <c oughs> ั้งที่แล้วแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ในระยะแรกก็ <c oughs> ก็ทำค่อนข้างจะจะถี่เข้มข้นพอระยะหลังๆก็ผ่อนเกินไปอะฮะไปใช้วิธีการอื่นคือเอ่อไปใช้ เ, เอ่อเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเคื่อดูการเคลื่อนไหวในการทำงานดูกายเคลื่อนไหวตอนทำงานครับแทนสาเหตุเพราะว่ามัน มันมีปัญหาที่บ้านคือมันไม่สงบด้วยนะเพราะว่าไม่รู้จะไปอยู่บริเวณไหนที่มันสงบแล้วก็หาที่ที่มันจะร่มร่มมันก็ไม่มีในะช่วงนั้นก็เลยก็รู้สึกรู้สึกเสียเสียใจเหมือนกันว่ า, าทําไมเราไม่ได้ทุ่มเทให้มันมากไปกว่านี้นะครับทีนี้มาคราวนี้ก็กลับมาคิดว่าจะมาทบทวนทุกอย่างใหม่แล้วก็มาเริ่มต้นเอาเอาจริงเอาจั ง, จงคือคือหลังจากที่ทําไปแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่มันบกพร่องเนี่ยก็จะต้องมาเรียนรู้ คราวนี้แล้วก็คิดว่ากลับไปคราวนี้คงจะตั้งหลักที่ปฏิบัติให้มันดีกว่าเดิมครับกลับนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะแล้วก็นมัส ก, การพระคุณเจ้าค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนญาติธรรมค่ะชื่อสุนันทา น, นะคะปฏิบัติกับหลวงพ่อครั้งแรกที่ค่ายสมโพธชงที่กาญจน บ, บุรีค่ะจากนั้นก็ได้จัดคอร์สกับพระอาจารย์กับหลวงพ่อก็เนื่องจากว่า ทชอบในในวิธีการสอนของหลวงพ่อค่ะก็เลยไปจัดที่บ้านการนิสาแล้วก็ที่อ า, อาสมมาตาแล้วก็ที่สวนธรรมสีประทุมก็สําหรับตัวเองนี่ในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยหลังๆที่ปฏิบัติเต็มที่ก็คือที่อสมมาตา ก, ก็ก็รู้สึกว่าก็ดีค่ะแล้วก็หลังเนี่ยหลังๆไม่ได้ปฏิบัติกับหลวงพ่อเพราะว่า ถ้าจะลายาวเนี่ยยากมากเลยตอนนี้ก็โชคดีที่ว่ามีวันหยุดยาวทีนี้ก็ปฏิบัติกับพระอาจารย์น้์พระอาจารย์ตุ้มที่อาคารทำดีแล้วก็สามวันก็ปฏิบัติที่นี่บ้างหลายครั้งแล้วค่ะก็ถ้าจะถามถึงความก้าวหน้าก็คิดว่าตัวเองรู้ว่าความเพียรยังน้อยก็จะต้องเร่งทำความเพียรให้มากก็คิดว่าตัวเองก็เผลอบ่อย ก็เมื่อไหร่ที่เผลอคือเมื่อไหร่ที่เผลอแล้วรู้ก็ก็นั่นคือสิ่งที่ที่ได้คิดว่าเป็นผลที่ที่ดีที่พัฒนาขึ้นแต่ถ้าเผลอแล้วไม่รู้แล้วกว่าจะรู้เนี่ยมารู้ที่หลังเนี่ยก็ก็ไม่ดีก็พยายามที่จะอ่าให้รู้ตัวอยู่บ่อยๆก็ไม่ใช่ไม่ดีถ้าถ้ารู้ว่าเผลอเนี่ยก็ดีว่าเรารู้ตัวแล้วเผลอก่อนเผลอก่อนแล้วก็ถึงจะรู้ถ้าอางั้นก็ เผอก็เกิดใช่ไหมคะเราก็รู้ถึงจะดับแล้วแต่ช่วงค่ะถ้าถ้ายุ่งยุ่งนี่ก็เผอยาวมากะคะแต่ถ้าหากว่ามีเวลาหรือได้มาปฏิบัติธรรมก็จะก็คิดว่ายังต้องต้องพยายามอยู่รวัศ์การหลวงพ่อคะ่ะแล้วกลับอาจารย์ทุกท่านสวัสดีเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านนะคะชื่อนุชรีคะ่ะปฏิบัติการหลวงพ่อคือ ได้พบหลวงพ่อเมื่อปี2556ที่สวนโมกุงเทพนะคะแล้วก็ไปเข้าคอร์สกับพี่ตุ่มที่อสมมาตาห้าวันนะคะช่วงนั้นกลับกลับมานี่คือเห็นความเปลีป่ยนแปลงชัดว่าที่นี่เมืเ่อเดียนมีนานค่ะก็หลังจากที่อสมมาตาก็ปีห้าหกพอปีห้าเจ็ดก็ไปสวนทํามศรีปฐุมของพี่ตุมเหมือนกันแล้วพอปีที่แล้วห้าแปดก็ไปที่ที่ตรัง มาปฏิบัติได้รู้สึกค่อนข้างดีค่ะแล้วก็เมื่อเดือนมีนาก็มาที่นี่ความเผลอกับความรู้ก็คิดว่าจากที่เมื่อก่อนเผลอเยอะแต่ทีนี้ก็เผลอน้อยลงนะคะมีมีสติเหมือนว่าตามรู้เวลาปฏิบัติในชีวิตประจําวันนะคะอย่างซักผ้าถูบ้านทําอะไรต่างๆเนี้ยก็รู้สึกว่ามีสติมากขึ้นค่ะแต่ก็ยังปฏิบัติช่วงที่กลับมาจากที่นี่เข้าคอด้วยเมื่อเดือนมีนาใหม่ๆนี่ก็ปฏิบัติทุกวันนะคะ แต่พอช่วงหลังเดินทางเยอะหลวงพ่อก็เลยห่างไปบ้างการเดินทางทำได้ไหมก็ทำได้แต่ว่าบางทีมันก็ไม่ไม่ค่อยมีเวลา <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> มีเวลาอยู่นแัแหละันมีมีเวลาแต่ว่ามี <c oughs> แบบว่าไปเหมือนว่าไปเจอคนเยอะค่ะหลวงพ่อเวลาเวลาอยู่คนเดียวเนี่ยเหมือนจะ ตามดูตามรู้อะไรได้ได้เยอะแต่เวลาอยู่กับคนแล้วจะชอบเผลอ ก, ก, ก็ก็คิดว่าจะพยายามเพียบคือที่ผ่านมาสามปีนึงก็ได้แค่ปีละครั้งแต่ปีนี้สองครั้งแล้วค่ะไม่ได้ชอบแต่มันเผลอเผลอเองแต่ก็เผลอน้อยลงนะคะแล้วก็รู้สึกว่าที่สังเกตได้ก็คือตัวเองเข้มแข็งขึ้นจิตใจเหมือนมั่นคงขึ้นจากเมื่อก่อนที่เคยเป็นคนแบบอ่อนไหวใจน้อยอะไรเงี้ยก็น้อยลงค่ะกราณาธิการหลวงพ่อมาหานะคะแล้วก็ กราบพระอาจารย์ทุกรูปสวัสดียติธรรมทุกคนนะคะครูอ้อมสุริศราบวนินค่ะก็เข้าปฏิบัติกับท่านพอสมควรค่ะเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเข้าทุกคอแต่ว่าบางทีก็เต็มคอไม่เต็มคอเดือนมีนาก็ลงชื่อค่ะแต่ว่าพอทีมีเหตุจำเป็นแม่ล้มซี่โครงหกักก่อนวันจะเข้าก็ <c oughs> <c oughs> เลยต้องกับขนแก่น <c oughs> ในรอบนั้นรอบนี้ก็ตั้งใจในระหว่างที่ ที่ผ่านมานะคะก็เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันมันก็มีความเปลี่ยนแปลงค่ะแต่ว่าในระหว่างที่เราทํางานเนี่ยเราทําในรูปแบบน้อยด้วยงานคือหลับหัวถึงหมอนคือหลับคือหลับเลยเนี่้ไแต่ว่าทําในชีวิตประจําวันเนี่ยมากขึ้นยังมีมีอารมณ์อาการอะไรต่างๆก็เป็นไม่นาน เป็นไม่นานแต่กระทบทีก็ก็ตึงๆเหมือนกันก็เห็นอาการของตัวเองมันมีบางเหตุการณ์บางคนคนเดิมเหมือนกับเคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งนี้เกิดขึ้นอีกความอารมณ์ที่เราติดอยู่สั้นลงไปเยอะเลยค่ะเคยติดอยู่สองปีกับคนเดิมเรื่องเดิมเหตุการณ์คล้ายๆเดิมอันนี้ประมาณหนึ่งเดือนทิ้งไม่ออกคือเห็นอาการของตัวเองวางดึงเข้าดึงออกอยู่อย่างนั้นนะคะ เกือบเป็นเดือนเลยค่ะแล้วก็พอกับปิดเทอมทุกทีก็จะเข้าคอร์สปฏิบัติแต่ว่ารอบนี้ต้องดูแลแม่เพราะว่าเดินเดินลุกเดินไม่ได้ลําบากก็เลยทําเองที่บ้านในช่วงสงการประมาณ7วันก่อนที่จะเข้าคอร์สเนี้ยนะคะคือตั้งใจว่าไม่ได้แล้วไม่ทันต้องเตรียมตัวก่อนที่ท่านจะมาเดี๋ยวมาแล้วมาเริ่ม เดี๋ยวมันจะชา้าเกินไปความตั้งใจของตัวเองเลยดูแลแม่แล้วก็ทาด้วยที่บ้านทาว่าวันละชั่วโมงครึง่งแม่ก็เดินไม่ได้ค่ะแม่ทาค่ะทาสร้างจังหวะก็อยู่ด้วยกันทํางานบ้านดูแลพอหมดพอแม่นอนก็เดินเดินสลับนั่งได้วันละชั่วโมงครึง่งดีเห็นอาการมันจะมีอาการคือคืออยู่กับแม่อารมณ์ลูกแม่นี่ก็ยังมีแต่ว่ามันก็จะ มันก็มันจะเร็วมันจะทิ้งได้ไวอยู่กับคนป่วยอะนะคะมันก็จะทิ้งได้ไวแล้วก็ก็เป็นหลักให้เขาได้พอสมควรพูดคุยกับเขาสลับกันอ้อมคิดว่ามีความก้าวหน้ามากขึ้นค่ะมีความก้าวหน้ามากขึ้นเพ้อบ่อยค่ะแต่ว่ามันไม่นานมันไม่นานแล้วมันก็แต่มันก็มีแบบบางเรื่องที่หลุด พูดออกไปด้วยนะคะก็เห็นว่าเนี่ยเราหลุดและพูดและว อ, อ้าวพออย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นอาการอย่างเงี้ยได้เร็วขึ้นได้เร็วขึ้นในรูปแบบพอลองมาทําจริงๆมันก็เห็นอาการเห็นความเปลี่ยนแปลงคือทําช้าลงแล้วก็ชัดขึ้นในการเคลื่อนไหวมือซึ่งแต่เดิมเราก็อยากจะช้าแต่เป็นเป็นความอยากช้าเราก็ค่อนข้างบังคับแต่เดิมเวลาอยากจะทําช้าแล้วตอนนี้มันเป็นไปเอง ม, มันชัดขึ้นเองที่การเคลื่อนไหวนะคะ เป็นประมาณนี้เคยไม่เคยเหยียบงูค่ะแต่ว่าเคยงูมาโดนมาเกาะที่แขนกับนมัสการหลวงพ่อแล้วก็ครบานะคะแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านค่ะก็เชิญก็ครูใหญ่นะคะอยู่โรงเรียนลุงอรุณค่ะก็เข้าปฏิบัติกับหลวงพ่อน่าจะสี่ปีแล้วตั้งแตก็เห็นความเปลี่ยนแปลงค่ะจริงจริงอยู่ค่อยตอนแรกๆจะไม่ไม่ค่อย ดูอาการของกายกับของใจเนี่ยดูไม่เป็นเลยแต่ว่าพอเราเจ็บป่วยนานๆเข้าเนี่ยมันมันตะเพราะว่าใหญ่ฟังไม่ได้ยินนะคะต้องอ่านปากมันทำให้เราตัดชนแนลบางอย่างไปมันทำให้เรากลับมาดูดูดูข้างในของเราได้มากขึ้นก็ความทุกข์มันน้อยลงค่ะเวลาแล้วก็ความ อย่างเวลาคอร์สแรกๆที่มาปฏิบัติกับหลวงพ่อเนี่ยก็จะกองโบนมีตกว่าจะนั่งตรงไหนจะฟังไม่ได้ยินจะเพราะว่ามันมีความอยากที่จะได้จะได้ยินจะได้ฟังแต่ว่าพอนานๆเข้านี่ยคืก็ลดทําใจสบายๆคยได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างก็ใช้ใช้วิธีการอื่นอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นถามเพื่อนแล้วก็จริงๆระหว่างระหว่างทางอย่างปีที่แล้วเนี่ยใหญ่เข้าทุกเดือนกับ กับที่โรงเรียนล่กบอนจะมีปฏิบัติทุกสิ้นเดือนใหญ่ก็พยายามเข้าทุกเดือนก็เข้าได้ค่ะแล้วก็ก็มอสังเกตว่าคือสิ่งที่ติดขัดของใหญ่คือร่างกายพออย่างปีที่แล้วเนี่ยพอพอซักพฤศจิกาก็ต้องเข้าโรงพยาบาลพอมาต้นปีนี้กุมพาก็เข้าโรงพยาบาลผ่าตัดอีกก็เลยทําให้เราได้ดูดูอาการของกายเวลามันเจ็บจริงๆอะค่ะเวลามันปวดเวลามันตึงเวลามัน มันต้องอยู่กับกับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆอย่างเงี้ยเราก็เห็นว่าใจเราก็ไม่มันก็มีตื่นเต้นกลัวในครั้งแรกเพราะว่าอย่างผ่าตัดสองครั้งครั้งแรกเนี่ยมีอาการสั่นก่อนเข้าห้องผ่าตัดเล้วพว่าครั้งที่สองเนี่ยมันก็แบบ ก, ก็นอนดูดูดูลมหายใจไปก่อนเข้าห้องผ่าตัดก็เออเขานี้ไม่สัน่น <laughs> แล้วก็โอแสดงว่าโอเราเริ่มเข้านาะเราไม่สัน่น ค่ะแล้วก็ cit, พอพออออกจากห้องผ่าตัดพอมาอยู่กับการต uh ้องรักษาหรือฟื้นตัวนี่มันก็ได้อยู่ได้อยู่กับตัวเองจริงๆพวกมันก็ขยับไม่ได้เพราะใหย่ผ่าตัดผ่าหน้าท้องค่ะก็เพิ่งได้สองเดือนกว่าครอนี้จะก้มกราบไม่ค่อยได้นะคะพอแต่ว่าจะติดก็เรื่องเรื่องเจ็บป่วยมันอยู่กับใหญ่ตลอดก็เลยดูมันดูมันแล้วก็อยู่กับมันสไว้ก็ยิ้มได้แล้วค่ะ ก็นักบัสการหลวงพอ่อกับพระอาจารย์แล้วก็ญาติธรรมทุกท่านนะคะชื่อสุภานีตันตโนกิจตังมาที่นี่เป็นครั้งที่สองครั้งแรกมามาที่นี่สีวันสามคืนเมื่อปีที่แล้วแล้วกค็ครั้งนั้นมาคือคือปฏิบัติ ส, สมาธิเคลื่อนไหวนี้รู้จังหวะนะคะแต่ว่าครั้งที่มาครั้งที่แล้วไ ด, ได้ได้ประโยชน์มากก็คือ พระอาจารย์เดินมาบอกว่าติดเพ่งมากคือนั่งนั่งทำเนี่ยก็คือนั่งจ้องความคิดของตัวเองคือตั้งใจมากเกินจนแบบจ้องว่าความคิดมันจะขึ้นมาตอนนั้นตอนนั้นแล้วก็อาการที่สภาวะธรรมที่ขึ้นก็คือถ้ายกมือแล้วจะหาวจะหาวตลอดจนพระอาจารย์บอกว่ามันคงเป็นสภ า, สภาวะธรรมมันไม่ใช่ง่วงทั้งทั้งง่วงเนี่ยเ อ, อ ถ้านอนเราก็จะหายแต่ตอนนั้นคือคือหาวตลอด ก, ก็ไปปฏิบัติกับพระอาจารย์ที่ห อ, อจดหมายเหตุสองวันนะะที่พระอาจารย์ก็เทศเรื่องก็ติดตามในในเอ่อในโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็ปกติคือปฏิบัตินานานไม่เคยลาได้ครั้งนี้ก็ก็ดูแล้วก็มันมีวันหยุดเยอะแล้วก็เป็นโอกาสเหมือนกับเป็นโอกาสที่เราจะได้มาจริงๆเียคะ่ะก็จะลองดูว่า ถ้ายาวอย่างนี้เราเ ร, าราจะได้เราจะไหวไหมอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่ตัวเองกลัวที่สุดก็คือกลัววิชาณากลัวการปวดขามากไม่แน่ใจนะคะคิดว่าเป็นเป็นความเพลินกับการเพ่งสองเรื่องค่ะกล่าวณมศการหลวงพ่อแล้วก็พระภิกษุนะคะแล้วก็คุณแม่ชีแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านนะคะก็ได้มาปฏิบัติเริ่มรู้จัก ปฏิบัติกับหลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่ปีสองห้าห้าสองนะคะกลางปีคือเมื่อก่อนเนี้ยไม่เคยได้ยินชื่อเสียงหลวงพ่อมาก่อนเลยนะคะแม้แต่ชื่ออะไรก็ไม่รู้เพื่อนก็แนะนำนะฮะก็ไปปฏิบัติที่วัดถ้ำแสงเทียนก็ปรากฏว่าไปปฏิบัติได้วันวัน ก, กว่าเกือบสองวันนะฮะวันครึ่งๆนะฮะก็ปรากฏว่า ปฏิบัติแล้วมันได้สภาวธรรมนะได้ตัวรู้คือในจิตเนี่ยมันบอกว่าตัวรู้เลยนะแล้กกับบ้า น, ม, นมันยาวมากนะฮะอันนี้ก็เลยไม่ขอขอเล่านะแต่ก็คือได้ตัวรู้กับบ้านก็ตั้งแต่นั้นมาก็เลยรู้สึกว่าเลื่อมใสศรัทธานะคะในแบบการปฏิบัติแบบจเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตั้งแต่นั้นมานะฮะแล้วก็ คอติดตามว่าหลวงพ่อกลับมาจากอเมริกาเมื่อไหร่กจจ็จะติดตามไปปฏิบัติกับท่านเมื่อก่อนยังไม่มีคอร์สนะคะก็จะไปตามวัดท่านไปอยู่วัดไหนก็ตามไปอะไรเงี้ยค่ะพรเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาขึ้นมีคอร์สอะไรพวกนี้นะคะก็เลยก็ดได้ได้มาเป็นธรรมบริกรก็ได้มาช่วยเหลือมาถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ได้มาเป็นแอดมินชมรมคุณเพียร น, นะคะก็ที่ปฏิบัติมาหลายๆคอร์สเนี่ยก็ได้สภาวธรรม หลายหายอย่างจากที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้จากที่ไม่เคยทําเป็นก็ได้เป็นแล้วมันมันก็พัฒนากลายเป็นปัญญานะคะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้หรอกว่าปรัมัติคืออะไรเห็นลุงพ่อท่านพูดบ่อยๆปรามาัปรามมัิมันคืออะไรแต่จากการปฏิบัติยกมือสร้างจังหวะเนี่ยมันได้มันรู้จริงๆนะคะรู้โดยที่ว่าเมื่อก่อนไม่ไม่คือปกติเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบทฤษฎีธรรมะนะคะไม่ชอบ ไม่ไม่เข้าหัวนะคะแต่จะได้จากการปฏิบัติแล้วก็จะเข้าใจแล้วก็หายสงสัยในที่สุดนะคะแล้วปัญญามันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าตั้งสติได้มันก็เลยไม่หวั่นไหวหรือไม่ว่าแม้จะเกิดอะไรขึ้นมันมันเหมือนกับไม่มีหัวใจอ่ะไม่มีความรู้สึกความรักความอะไรเงี้ยไม่แต่ความเกลียวยังมีความเกลียนยังมี หรือความเศร้าโศกเสียใจไม่มีนักการอาจารย์พระคุณเจ้าแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านนะคะเกศชื่อเกียรติศีส์สำรานพิชพรค่ะเริ่มปฏิบัติเมื่อสามปีที่แล้วกับพระอาจารย์โกศินแล้วก็สองปีที่แล้วที่วัดป่าสุขโตมาครั้งที่สามที่สี่กับพระอาจารย์ที่นี่เมื่อเดือนมีนาแล้วก็เดือนนี้ค่ะก็คิดว่าตัวเองไม่มีปัญหาในการปฏิบัติแต่ปัญหาคือ ความเพียรย่อหย่อนแล้วก็เวลาที่ออกจากคอร์สไปแล้วมันก็จะจืดจางไปเรื่อยๆเป็นที่น่าเสียดายเหมือนกันไม่ทราบจะสงสัยต้องไปอยู่วัดเผลอกับรู้เนี่ยมันห้าสิบห้าสิบะพระอาจารย์แล้วก็เผลอบางเรื่อง ท, ที่เพลินก็จะยาวนิดหนึ่งพอจบถึงมารู้ตัวว่าโอ้ไปคิดอะไรตั้งเยอะแต่ว่า เผอสั้นๆนี่เยอะเยอะหน่อยอ่ะหมายความว่าหมายความว่าเผลอห้าห้าสิบเรื่องแล้วก็จะรู้ว่าเผอห้าห้าสิบเรื่องอะไรแบบนี้มันก็หมดพอดีเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าร้อยเรื่องค่ะร้อเรื่องร้อยเรื่องค่ะสงสัยจะพูดผิดความหมายหมายว่าร้อยเรื่องเนี่ยเผอห้าสิบรู้เนี่ยห้าสิบเรื่องรู้เมื่อมันจบหรือว่าเมื่อเมื่อมันไปครึ่งเรื่องแล้วอะไรเงี้ย ค่ะแต่ว่าที่ว่ารู้เนี่ยก็คือว่าปั๊บหนึ่งเผอ น, นี่รู้แล้วอะไรเงี้ยคืออันนี้คืออันนี้คือตัวเองตอบว่ารู้ใช่ไหมคะตรงนี้นะคะแต่ว่าเผอ น, นี่คือเผอจนจบแล้วก็เผอไปครึ่งเรื่องอันนี้อันนี้คือเผอแ ล, <S 2> <S 2> จจล้วความหมายเผยกจ่โดดไม่รู้ยาวเท่าไหร่ใช่ไหมก็ถ้าคิดเรื่องหลานเรื่องลูกนี่มันจะยาวนิดนึง <S 2> <S 2> <S เหมือนเหมือนดื่มดําหรือว่าเหมือนว่าคิดอยากอย่างนั้นอย่างนี้พยายามเหมือนกันแบบว่าเวลาเวลาเดินเวลาทําอะไรก็พยายามที่กราบในัสการ หลวงพ่อนะคะพระภิกษุสามเณรแล้วก็เพื่อเนเพื่อนกิริยามิตรทุกท่านนะคะชื่อกมวลกันค่ะวันนี้มากับคุณแม่ออตอบคําถามหลวงพ่อที่บอกว่าพัฒนาการเป็นอย่างไรแลท้าวความว่าได้พบกับหลวงพ่อตั้งแต่น่าจะสักปีที่แล้วตอนนั้นยังเป็นนักบวชอยู่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เจอหลวงพ่อที่อสมมาตา นะคะพุชจิกาที่แล้วหลังจากนั้นก็ได้เจอพระอาจารย์กษินนะคะแล้วก็มาครั้งนี้เวลาที่เหลือก็ตามคุณแม่ปฏิบัติธรรมค่ะพัฒนาการตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่ได้เจอพระอาจารย์ก็ขึ้นขึ้ น, นลงล ง, ลงค่ะเคร์ฟก็สูงสู ง, ส ง, สงต่ำาๆด้วยเหตุที่ว่าถ้าเกิดแมวอ้วนแรงเสถียรในชีวิตก็น้อย ถ้าเกิดแมวผอ ม, มกระโดนหนูลากไปมาแรงเสียทานในชีวิตก็เยอะแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือมีศรัทธามีความรักในความรู้สึกตัวมากขึ้นแต่ก็ยังไม่มากพอที่จ ะ, ะ, ะมีวินัยกับตัวเองทำในรูปแบบนะคะแต่ก็มากพอที่จะเลิกหาวิธีอื่นมีความมั่นใจในวิธีการนี้รู้ว่าเมื่อไรทุกนั่นคือไม่ได้รู้สึกตัว แล้วก็รู้ว่าต้องทำเหตุอย่างไรฉันจะกลับบ้านถูกพัฒนาการตรงนั้นรู้สึกว่าง่ายขึ้นนนะคะด้วยอาจจะเนยที่ลักษณะการสอนนั้นค่อนข้งางไม่ได้เน้นเนื้อหานะคะอาจจะใช้คำพูดที่ง่ายแล้วก็ไม่ยาวเลยเข้าใจได้ไม่ยากแล้วก็มีเวลาในการ ให้ให้ทำความรู้จักกเหมือนกับลองผิดลองถูกด้วยตัวเองมากไม่ได้มีขั้นด้วยพิธีกรรมไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์หรือว่าอย่างอื่นคือได้ได้ทำเขาเรียกอะไรต่อเนื่องได้ได้มากค่ะเพราะแต่ว่าด้วยความที่ออกมาจากคอสนะคะ่ะมันก็แมวก็โตในคอสแต่ว่าพอออกมาจากคอสเนี่ยหนูก็โตแทนแมวมันก็เลยค่อน ข, นข้างขึ้นขึ้ น, น, นลงลง ไม่ไให้อาหารแมวหนูก็เลยตัวเอวตัวเอวออกคลอดลูกคลอดหลางเยอะเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าเหมือนกับมันคงยังทุกข์ไม่พอโดนทุกข์ตกหน้าไม่พอยังไม่เรียนบทเรียนมันก็ยังผ่านไม่ได้นะคะ่ะก็ก็ทุกข์ไปถ้าเกิดไม่รู้สึกตัวก็คิดว่าก็ต้องทําไปนะคะก็คิดว่าคืออยากค่ะมีความตั้งใจสูงตั้งแต่ไปบวชนี่ก็ตั้งใจมากใช่ไหมคะศึกมานี่ ยิ่งตั้งใจหนักเลยใช่ไหมคะว่าสึกมาแล้วนี่ก็ต้องทําให้ดีเท่าเดิมหรือว่าดีกว่าเดิมไม่เข้าใจว่าอยากลบเป็นยังไงแต่ว่าน่าจะอยากดีอยากดีอยากอยากไม่อยากอย่างเงี้ยเพราะว่ามันอยากอยู่แล้วก็อยากแต่จะไม่อยากแล้วก็มีชอบไม่ชอบเยอะมันก็เลยก็ไม่รู้ทํายังไงแต่ก็เชื่อมั่นว่าต้องรู้สึกตัวอย่างเดียวนะพยายามคิดด้วยเหตุผลคิด บวกคิดอะไรมันก็ไม่ได้ก็ต้องกลับมารู้สึกตัวค่ะรปริญญา <laughs> หนูไม่เคยเรียนปริญญาเอกแต่ว่าถ้าถามว่าปริญญาโทกับปริญญาตรีต่างกันยังไงมันก็เฉพาะเนื้อหามันก็เฉพาะทางมากขึ้นเนาะแล้วก็มันมีการวิจัยมากขึ้นปริญญาตรีอาจจะไม่มากเท่ากับปริญญาโทมันไม่เป็นการคิดนะคะหลวพ มันไม่เป็นการเข้าไปในความคิดเลยยังไม่ค่อยเข้าใจทําเป็นแต่ปัญญาตรีนะคะทําเหมือนเดิมทําได้เหมือนเดิมตอนนี้ไม่ผ่านรูปน้ำก็ไม่แน่ไม่ทราบค่ะเพราะว่าไม่เข้าใจจริงๆรู้สึกว่าไม่อยากจะเข้าใจอะไรด้วยซ้ำนเพราะเหมือนกับอยากจะรู้สึกบางบางบางทีหนูคิดว่าการตั้งใจนี่มันเลยจะกลับไปเป็นเพ่งหรือว่ามันกราบนวัตการหลวงพ่อ กัลายาณมิตรทุกท่านแม่ตีเป็นผู้ปกครองนักเรียนรุ่งอรุณอาชีพแม่บ้านปฏิบัติสายหลวงพ่อเทียนกับเริ่มแรกกับหลวงพ่อพระมหาดิเรกครั้งแรกเดือนหน้าก็จะครบสามปีครั้งแรกที่ปฏิบัติกับหลวงพ่อเจ็ดวันก็คิดว่าได้อารมณ์แล้วก็ปฏิบัติต่อเนื่องมาที่ ที่บอกว่าต่อเนื่องก็คือเข้าคอร์สทุกเดือนแล้วก็ช่วงแรกๆสองปีเต็มเนี่ยปฏิบัติเองวันละชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ช่วงสองปีกว่าวก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นมีความรู้สึกว่าไม่อยากปฏิบัติในรูปแบบก็เพิ่งเพิ่งจะหยุดทำไป แล้วก็แต่สิ่งที่ที่เห็นคืออ่ามันมาปฏิบัตินอกรูปแบบเองมันมันทำของมันไปนเองโดยที่ไม่ตั้งใจเมื่อไหร่ที่รู้สึกขึ้นได้ก็ก็จะเข้าไปรู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ไม่ได้ตั้งใจเลยแล้วก็แม่ตีปฏิบัติอ่าทำเนี่ยเป้าหมายของตัวเองเนี่ยคือต้องการออกจากทุกข์เพราะว่าเป็นคนมีความทุกข์มาก แล้วก็สามปีที่ผ่านมาก็ได้พบว่ามันออกจากทุกข์ได้จริงๆเห็นความทุกข์ห่างไปห่างไปเรื่อยๆอจนล่าสุดเนี่ยมันมันมันที่ว่ามันจะว่ามันไม่ทุกข์นี่มันก็ มันก็ไม่ใช่แต่แต่ว่ามันสามารถที่จะจะเรียกว่าเซนเซอร์ความคิดได้ว่าเวลาเห็นความคิดแล้วมันรู้ว่าเรื่องนี้อะคิดแล้วมันจะทุกข์มันก็จะปล่อยเลยก็ก็เลยตรงเนี้ยที่ว่ามันมันดีตรงที่ว่ามันทันความคิดแล้วก็อ่าทำให้เราแบบอืมไม่ทุกข์กับมันซึ่งตรงเนี้ย แม่ตีก็คิดว่าตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่ได้แล้วก็คิดว่าคุ้มมากแล้วเจอย่างอื่นก็ก็ไม่ทราบว่าจะจะยังคิดว่าเป็นผลพลอยได้ด้วยซ้ำเพราะว่าการไม่ทุกถือว่ามันมันเป็นจะเรียกว่างไงเดียบเป็นของขวัญที่แบบเออมันมันมันดีมากมากครั้งล่าสุดที่ที่ปฏิบัตินี่ ไปเจอสภาวะธรรม ท, ที่ที่มันเห็นเห็นทุกเปลี่ยนเป็นสุขมันเปลี่ยนช่วงช่วงเชื่อมต่อระหว่างทุกข์กับสุขมันเห็นชัดๆเลยว่ามันเปลี่ยนแล้วมันตั้งแล้วมันดับไปแบบแบบกระตาแล้วกเ็เห็นไปถึงความรู้สึกตัวที่คิดว่าเป็นความรู้สึกตัวล้วน ที่ไม่มีอะไรปนเลยไม่มีอะไรลุงหลังเป็นชั่วโมงความรู้สึกอันนั้นมันเป็นตอนที่เร า, าเดินจงกรมแล้วก็พอกระทบรู้ปล่อยเนี่ยมันเป็นจุดเดียวกันเป็นจุดเดียวกันแล้วมันต่อเนื่องเป็นชั่วโมงตอนนั้นเรารู้สึกเลยว่ามันไม่ทุกเลยก็ก็รู้สึกดีแล้วก็ ได้เรียนรู้ว่าที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยมันได้รู้ว่าเราเนี่ยจริงๆเราไม่ใช่เป็นคนดีเลยมันได้มันเหมือนเราได้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้บางครั้งได้เห็นตัวเองเลยว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเราจะไม่ทำแบบนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยมันเเห็นเลยว่าเรานิสัยไม่ดี แต่ตอนเนี้เราเห็นแล้วลราเป็นอีกคนนึงและวที่มันนิสัยดีแล้วก็บ่อยครั้งที่เป็นอย่างนั้นแล้วก็อืมแล้วเราก็จะยอมรับไอ้นิสัยที่ไม่ดีแล้วเราก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็แค่นี้ก็คิดว่าคุ้มแลคะต่างกันต่างกันก็เวลาว่านี่ก็จะเข้าไปรู้ใส่ใจแล้วก็ เข้าใจถึงคำแปลอะไรอย่างนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ว่าไปเปล่าๆแต่พูดตรงๆแม่ติไม่ค่อยไม่ค่อยสวดมนต์ไหวพระนะหลวงพ่อส่วนมากจ ะ, จะเจริญสติม<ะ>ามกหลวงพ่อชื่อนิธิรัตน์คะ่ะคือพอเป็นเพราะอากาศร้อนด้วยหนึ่งแล้วก็ลูกหลานปิดเทอมอยู่กับบ้านความสปายะในในการปฏิบัติเนี่ยไม่มีเลยปฏิบัต บ้างไม่ปฏิบัติบ้างนอกรูปแบบบ้างแต่พูดถึงว่าได้อะไรได้พ้นทุกค่ะได้พ้นทุกค้นทุกจากตรงไหนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนั้นๆแค่นี้ก็พอใจแล้วค่ะแล้วถามถึงว่าความอยากเน่ที่เข้าม า, เ ข, าเข้ามาทำว่าสวดมนต์ประพฤติปฏิบัติธรรม ต, ตั้งแต่ยังสาวจนกระทั่งอายุมากเนี่ย เพื่อหวังอะไรแรกๆเจ็บป่วยอยู่ก็หวังไว้ให้หายหลังๆมาก็ไม่ได้หวังอะไรแล้วค่ะคือคือหวังความพอใจความสงบร่มเย็นของใจเท่านั้นเองอะค่ะแล้วก็มาถึงถึงตอนนี้เนี่ยก็หวังหวังว่าถ้าเมื่อไหร่พ้นถ้าเมื่อไหร่มีทุกข์ฉันจะใช้ วิชาที่เรียนมากับหลวงพ่อมหาเนี่ยขจัดปัดเป่าทุกนั้นออกไปมีมีค่ะที่บ้านมีคนกระทบเยอะแต่บางทีมันก็รั่วนะคะบางทีเราก็รั่วบางทีเราก็มันมันมั น, ม น, มน เ, รเราเราเรารู้ว่าก็เขากระทบมาแล้วเราเราดูอยู่ว่าเอ๊ะกระทบมาแล้วเราจะทํำยังไงเราตามดูตามดูแล้วเราจะตามเข้าไปหรือไงหรือเราจะหยุดไว้ตรงนั้นคือระงับ ระงับความทุกข์ด้วยด้วยสติค้างคายไม่ดุค้างเพราะว่าเพราะว่าคนรอบข้างเนี่ยเขาก็จะเอาทุกข์มาให้ตลอดเวลาเพราะว่าปกติตัวเองเนี่ยสันโดษมากเลยจะไม่ออกไปข้างนอกไม่ไปที่อาโคจรไม่ไปที่ ไม่อยากไปที่ไหนไหนที่มันดื่มขาดแต่ต้องเป่าก่อนต้องไปช่วยอะไม่ได้กล่าวนมัสการหลวงพ่อค่ะพระอาจารย์แล้วก็ญาติธรรมทุกท่านนะคะชื่อจริยาค่ะปฏิบัติกัรหลวงพ่อมาตั้กันยานี้ก็สี่ปีแล้วค่ะ ก็ตั้งแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ไม่มีปัญหาในการปฏิบัติแล้วตอนนี้ทุกอย่างลาบเลยนี่มีคือปัญหาที่ทำให้่วสีอะไรด้วยครับเกี่ยกบนารสกลของพ่อค่ะแล้วญาติธรมทุกๆคนนะคะพระพี่ส่นด้วยนะคะขั้นสีค่ะ มาปฏิบัติครั้งนี้ก็ปฏิบัติตามคนที่เขาพยายามมีดค่ะก็ ม, ม, <g ười> มาโรงเรียนของน้องสาวก็เลยไม่รู้จะไปที่ไหนก็มาที่โรงเรียนเนี่ยโฟเยอะคะโฟงเยอเแต่ว่าเขมาปฏิบาตาัติได้ทีไหก็ได้รูทุกทีเนะี่ยกลับไปบ้านไปเทหมดเลย ก็ไปบ้านวันสองวันแรกดีกันแล้วพอ 3-4 วันเจาะแล้วเจาะได้เดินเจาะยางเลยเนาะก็แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองมีสติมากขึ้นค่ะมากขึ้นนะคือการอาศุดนะเอาละจบมาถึงมานี่ยก็ฟังจัดในงานแล้วก็ปร่ได้ติดใจเป็นคนคือถ้าผ่านอารมณ์ รุ่นน้ำเนี่ยมาก็าจะเป็นอย่างะ็สุดพอดรอายละเอียดมากขึ้นที่เพิ่มได้เห็นมากขึ้นตอนหลังไม่ว่าเรื่องการอ่อขอบคุงกาย